ประชาธิปไตยของนักการเมืองไม่เหมือนของพระหลักประชาธิปไตยของหลวงพ่อไม่เหมือนใครประชาธิปไตยของนักการเมืองคือการรวมหัวกันฉันไม่ชอบขี้หน้าผู้ว่าราชการจังหวัดฉันก็รวมหัวกันขับไล่ร้องเรียนให้เจ้านายเบื้องบนสั่งโยกย้ายลักษณะอย่างเนี้ยไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่เป็นเผด็จการหมู่แต่ประชาธิปไตยพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีความห่วงใยในพระพุทธศาสนากลัวพระพุทธศาสนาจะเสื่อมหลวงพ่อศึกษาธรรมวินัยให้มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบจนมีคุณธรรมบ้างพอสมควรแล้วเอาคุณธรรมแจกใจ่ายให้ประชาชนได้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่เคยกังวลว่า ใครจะทำบาปทำกรรมอะไรไม่เคยกลัวใครจะตกนรกกลัวแต่ตัวเองจะตกนรกเพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างความดีสร้างความดีจนกระทั่งความดีมันเต็มพร้อมแล้วมันจะล้นออกมาเหมือนน้ำเต็มตุ่มเวลานี้มีคนไปศึกษาธรรมะไปถามปัญหาแต่เช้ายันเย็นแต่เย็นยันหกทุ่มไม่เว้นแต่ละวันอันเนี้ยเพราะอะไร เพราะเราสร้างเนื้อสร้างตัวของเราให้มีคุณธรรมพร้อมดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายคิดจะสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมันอยู่ที่ตรงนี้ใครที่มีลูกมีหลานกำลังเรียนเร่งให้แกเรียนให้จบเมื่อเรียนจบแล้วให้หางานทำบางทีพ่อแม่อาจมีหนี้มีสินส่งลูกเรียนให้เขาหาเงินใช้หนี้ใช้สินแทนพ่อแม่เสร็จล้าใหเขาเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวใหเป็นหลักเป็นฐาน เมื่อเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมีที่ดินเป็นของตนเองมีบ้านเป็นของตนเองมีงานมีการทํามีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัวให้สบายไม่มีหนี้สินเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็เป็นอิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของเจ้านี่แล้วก็ไม่ต้องไปหลบหน้าหลบตาว่าเจ้าหนี่เขาจะตามทวงเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็เป็นใหญ่อปปาทิตย์ปไตยแปลว่าผู้เป็นใหญ่ ไม่ได้หมายความว่าเป็นใหญ่เหนือเทวดาอินพรหมที่ไหนมันเป็นใหญ่เป็นอิสระเพราะตัวเองช่วยตัวเองได้ยังแถมรัฐบาลได้เก็บภาษีไรายได้จากผลประโยชน์ที่เราสแสวงหามาด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นใหญ่คนทั้งหลายมารวมกลุ่มกันเข้าเรียกว่าประชาเมื่อประชาพวกนี้มีแต่ผู้เป็นใหญ่จึงรวมความว่าเป็นประชาธิปไตย อันนี้เป็นแผนการสร้างประชาธิปไตยให้มีในบ้านเมือง